เ, เมื่อวันที่3 ส, สิงหาคมพศ2510ณวัดป่าบ้านตาดปุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนธรรมจเจริ หมายถึงจิตใจที่รู้สึกดีชั่วเมื่อเห็นโทษเห็นคุณในความคิดผิดและคิดถูกของตัวเอง หากิคิดผิดก็แสดงโทษขึ้นมาติตคิดถูกก็แสดงคุณขึ้นมาที่ใจดวงเดียวนี้ใจดวงนี้แลยเป็นที่ะถิดอยู่เห็งธรรมทั้งหลายความถูก ที่กิดผิดขึ้นมาในตัวเองและอาศัยวาจาและกายเป็นเครื่องมผิดขึ้นมาผลทำทใจให้มีความเย็นสบาย หากคิดผิดเรยกว่าใจทำเหตุที่ผิดหรือผิดเหตุที่ผิดไว้อาศัยกายวาจาซึ่งเป็นเครื่องมือผิดขึ้นมาอีกทีผลก็สะท้อนเข้าไปสู่ใจผู้เป็นตัวเหตุแล้วได้รับความเดือดร้อน ขึ้นที่ใจดวงนั้นท่านนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นใจว่าเป็นสิ่งสำคัญเราจะปฏิบัติหาความสุขความเจริญที่ตรงตรงไห น, น ไม่มีวันเจอตลอดกาลคุณและโทษที่เกิดขึ้นมาจากการผิดของใจทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วนี่เลยเป็นเครื่องส่งเสริมและกดขี่จิตใจของเราให้รับความสุขบ้างทุกบ้างมีเป็นหลักใหญ่ ทาเจริญภายในใจคิดออกมาแง่ใดก็มีเหตุผลทั้งทางผิดและทางถิดแล้วแก้ไขและส่งเสริมกันไปได้เป็นลำดับถ้าฝ่ายดีก็พยายามส่งเสริมขึ้นให้มีกำลังมาก เป็นลำดับไปฝ่ายชั่วก็พยายามแก้ไขดัดแปลงให้น้อยลงเป็นลำดับไปเช่นเดียวกันนี่ชื่อว่าผู้จะสะแสวงหาความสุขความเจริญมีแต่ความอยากเป็นสุขมีแต่ความอยากเจริญ แต่ไม่คำหนึ่งถึงเหตุว่าความสุขความเจริญนั้นจะมาจากอะไรจะหาความสุขความเจริญไม่เจอไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมมีสาเหตุเป็นที่มาแห่งความเจริญและความสุขผู้ปฏิบัติจึงควรสำเหนียก เรื่องของใจให้รอบครอบความรอบครอบต่อใจตนเองยอมเป็นเหตุให้เกิดความรอบครอบในทางวาจาและการกระทำทางกายหากใจไม่รอบครอบต่อตัวเองแล้ว วาจาพูดออกมาก็เป็นเสีย่ยนเป็นหนามทิ่มแทงตนเองและผู้อืน่นกายที่แสดงออกมาเป็นความประพฤติก็เป็นเหตุหนึ่งกระทบกระเทือนตนและผู้อืน่นที่โลกให้ชื่อว่าคนชั่วดังที่เห็นอยู่ทั่วๆ่วไป ใจนีแลเป็นสูงกลางอย่างยิ่งที่ภูมิมุ่มงความสุขความเจริญแก่ตนเองและส่วนรวมจำต้องพยายามส่งเสริมจิตใจด้วยวิธีด้วยวิธีที่ถูกต้องคือการคิดการพูดการกระทาให้เป็นโอสตัเครื่องเสริมจิตใจได้รับความเย็นใจเสมอไป ยานำของแสลงเข้ามารังความจิตใจคนเราที่เป็นทุกข์โดยมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับด้านวัตถุอะไรมากนกะแต่ขึ้นอยู่กับใจเป็นสิ่งสำคัญนอกจากเราจะมองข้ามใจดวงนี้ไปเสียเท่านั้นจะเป็นเหตุให้ตื่นเต้น กับสิ่งภายนอกจนลืมตัวหรือลืมทายไม่รู้สึกตัวตลอดชีวิตในข้อนี้เราที่มีตามีหูและมีใจเป็นผู้รับวินิชัย ก็พอจะทราบล้วว่าคนเราไม่ใช่จะมีความอดอยากขาดแคลนเรื่องอาหารการเมริโภคเเรื่องนุ่งหุ่ที่อยู่ที่อาศัยไปเสียทุกรายผู้มีความมั่งคั่งสมบูรณ์จนในครั้งพุทธการท่านให้ชื่อว่ามหาเสษฐี แต่สมัยทุกวันนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนั้นเราก็ไม่สามารถจะทราบตลอดตัวถึงในความสำเร็จนี้ผู้ที่ขับสนจนใจควรจะเป็นแหล่งที่รวมแห่งทุกทั้งหลายก็มีคนที่มัง่งคั่งสมบูรณ์เช่นนั้น ไม่ควรที่ทุกจะเข้าไปแอบแฝงได้เลยแต่เมื่อรวมคนทั้งสองประเภทนี้เข้ามาพิสูจน์ตามเรื่องที่ได้ยินได้เห็นอากับกิรยาของคนทั้งสองประเภทนี้ละบายออก จากทางวาจาหรือทางกายเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนทั้งสองประเภทนี้จะไม่มีความถุกขเกินกันอะไรนะักพอจะให้ทราบว่าความมีทุกข์นั้นไปอยู่กับคนจน ความมีสุดนั้นไปอยู่กับคนมั่งมีแต่แล้วทั้งสองประเภทนี้ก็เป็นแหล่งที่สัตวิติยแห่งทุกขด้วยกันฉะนั้นในด้านวัตถุที่เราให้นำ ในบุคคลทั้งสองประเภทนี้ว่าผู้มั่งคั่งและผู้ขัดแคล น, นจึงไม่เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อันแท้จริงแต่ใจที่พยายามแก้ไขหรือปกครองตนเองไม่ได้เท่าที่ควร น, นั่นแหละ เป็นแรงที่ผลิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งคนมีคนจนเพราะฉะนั้นคนทั้งสองประเภทนี้จึงไม่วายจากทุกข์รู้สึกจะมีเท่าเท่ากันในบรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่รวมอยู่ที่ใจฉะนั้นใจจึงเป็นหลักใหญ่ที่ควรจะพยายาม ส่งเสริมโดยถูกทางแกไขสิ่งที่ผิดให้ลดน้อยลงไปเป็นลำดับและพยายามส่งเสริมสิ่งที่ถูกซึ่งใจผิดขึ้นมาได้ให้มีกำลังมากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งนักปวด และเป็นนักปฏิบัติด้วยนะไม่ควรที่จะทำภาชนะอันใหญ่โตไว้สำหรับบรรทุกของหนักคือทุกทั้งหลายไว้ที่ใจควรจะพยายาม กมจัดปัดเป่าทุกที่มีอยู่ภายในใจของตนออกโดยอุบายที่ชอบเป็นลำหนักลำหนับเมื่อเราทำอย่างนี้อยู่เสมอเรื่องความสุขที่ปรากฏตัวขึ้นเล็กน้อยภายในใจจะค่อยมีหลักแหล่ง และมั่นคงขึ้นเป็นลำดับใจซึ่งเคยเป็นภาชนะสำหรับรับ ร, บรองทุกทั้งมวล น, นั้นจะทายทอดทุกหรือทายเททุกออกจากภาชนะคือใจนั้นแล้วกลายเป็นความสุข ขึ้นมาแทนที่ในภาชนะคือใจดวงนั้นเป็นลำดับลำดับไปเรานั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขถ้าใจมีอาหารโอชารสคือธรรมะเป็นเครื่องเสวยอยู่ภายในใจ เราไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนอยู่ที่ไหนจะเจอแต่ความสุขนั่งอยู่กับความสุขนอนอยู่กับความสุขอัญาบททั้งสี่จะเป็นสุขอยู่ตลอดเวลานี่คือใจที่มีตาชนะอันดีรับรองโอชารสแห่งธรรมะไว้เป็นเครื่องสวถ ไม่มีความหิวโหวยไปตามของแสลงซึ่งเคยทำพิษแจงใจของเรามาเป็นเวลาหนึ่มีรูปเสียงกลิ่นนสเป็นต้นตามธรรมนาของใจที่มีความทุกข์เป็นเจ้าเอือนและมีเชื้อสำหรับผิดทุก เป็นรากฐางอยู่ภายในใจเลยจะเสาะจะเสาะแสลงหาแต่เครื่องสแสลงแก่ใจเท่านั้นมาย่ำดีตนเองเพราะฉะนั้นการเห็นการได้ยินของใจที่มีสาเหตุอันไม่ดีอยู่ภายในตนแอง จึงชอบเห็นชอบฟังชอบคิดแต่สิ่งที่จะสดงงจิตใจและทําใจให้กำลังจนหาอุปยาบทใดเป็นที่สบายไม่ได้แสดงอาการอาการรัสัมราษาอยู่ภายในใจแดงยังแสดงอาการกระวนกระวางออกมาทางตาทางจมูกทางจมูทางนิ้และทางกายเสชอน โลกที่มีตาเนื้อได้เห็นชัดๆว่าผู้นั้นประพฤติตัวไม่ดีนั้นแสดงอากับกิริยาไม่น่ายินดีแเะเล่อมใสยอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกที่ตำหนินักปวด เพราะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติเร้มโดยทานองที่กล่าวมานี้จึงเป็นการตำหนิโดยชอบธรรมตามกิริยาของผู้หิวโหวยแสดงออกให้รู้ให้เห็นมีกล่าวถึงส่วนภายนอกส่วนภายในถ้าเราเป็นนักสังเกตดูความหิวโหวย ความรัศมีสายของเราอยู่ซึ่งแสดงอยู่ภายในใจเราเราก็จะทราบได้ชัดๆว่าใจของเรานี้ขนองมากสั่งสมแต่ความชั่วประพฤติแต่ความชั่วแม้จะไม่ออกทางกายทางวาจาแต่ก็ประพฤติหรือสั่งสมความชั่วอยู่ภายในตนคือใจซ้มไปนี่ก็เป็นทางที่จะให้เราตําหนิเราได้ ถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยชอดส่องจ้องดูเรื่องของเราและเรายังจะมีทางแก้ไขความบกพร่องที่แสดงออกด้วยอำนาจแห่งความหิวโหวยเป็นเครื่องบังคับนี้ได้อีกเช่นเดียวกัน ควาหิวโหยนี่แหละที่ทำโลกทำหัวใจของผู้กระพฤธรรมให้เป็นผู้หาเมืองพอไม่เจอจะแสดงความหิวโหยอยู่เช่นนี้ตลอดไป ไม่ว่าจะมีวัตถุเข้าของเงินทองมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะมีเครื่องบำรุงบำเรอมากเท่าไหรจะไม่มีเมืองพอเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อเชื้อมีมากเท่าไรไฟจะไหม้ไปหมดใจที่เป็นไฟประลายกัน เขาผานตนเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะไม่มีเมืองพอเป็นสถานีที่จอดแวะหรือยับยัางชั่วระยะการเลยสำหรับผิดที่ไม่มีธรรมภัยถ้าหากว่าคนและสัต ได้เจอเมืองพอเพราะอำนาจการวิ่งตามความหิวโหยโลกนี้จะไม่มีใครบกพร่องจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกันทุกคนมีท่านนักปฏิบัติโปรดเลยพิจนารณาด้วยที่เรา วิ่งตามความหูหอส่งกระแสจิตออกไปตามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพื่อรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่านั้นซึ่งโดยมากเป็นภัยสำหรับผู้มีความหูหือออกเสวยงหาไม่ได้เป็นธรรมแม้แต่น้อย นี่ไม่สมควรอย่างนี้ที่เราจะคล้อยตามจัหวะเวลาเพศของพระและผู้ปฏิบัติอย่างนี้เป็นเพศที่จะยับยัง้งหากล้างสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยต่อตน ความกล้าหาญความเอาจริงเอาจังในทางที่ชอบนี้พระพุทธเจ้าทรงสรงเสริญอย่างนี้โปรดฟังให้ถึงใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างน้นไม่ทรงทรมเชยคนขี้เกียจคนโง่ แต่ชมเชยคนมีความขยันหมั่นเพียรและฉลาดวันหนึ่งเราคิดได้กี่แง่กี่กระทงในบรรณาอุบายต่างๆเพื่อแก้สิ่งที่ผิดพลาดในใจของเราหรือเพื่อแก้ความโง่ซึ่งมีอยู่ภายในจิตเราคิดได้ วันหนึ่งกี่ขอ้อเราต้องคำนึงเสมออย่านั่งนอนอยู่เฉยๆโดยไม่ใช้ความคิดเพื่อเพื่องตุจะกลายเป็นกบเข้าคอบัวกบก็คือหัวใจที่โง่ค อ, อบัวก็คือส่วนร่างกายบอา ก็คือความดีที่มีอยู่ในตัวของเราถ้าแยกเอทาทังน้านวัตถุ ก, กอบวัวก็คือส่วนร่างกาเยเยืแตกทิ้งเหยื่อเปล่าไม่เป็นประโยชน์นำมาทำประโยชน์ ได้ถ้าผู้มีความฉลาดนี่จะเป็นของไม่เทียงพอต่างิ่งดูตั้งแต่มูลอคอกเขายังทำประโยชน์ได้กลายเป็นปุ๋ยเรื่องหน่อยเลี้ยงต้นไม้ต่างๆรอดถึงข้าวในนาเขายังถือปุ๋ยเป็นของจำเป็นตลอดมานี่ก็เป็นปุ๋ยอันหนึ่งเหมือนกัน ถ้าเรามีความฉลาดพิจารนาให้ถูกตามฐานความจริงของสิ่งไห น, นคิดอะไรให้มีกิ่นมีขแขนงท่านวางหลักใหญ่ให้เราหนึ่งหลักเราควรจะตีความหมายแยกออกเป็นขแขนงให้ได้เป็นขแนขแนงแขนงออกไป ไปแทนเอาไปเรื่อยๆปัญญาจะไม่จนถ้าหากเจ้าของมีความรักใคร่สนใจต่อาการท้นความอยู่จะไม่มีทางจนแต่จะมีความเฉลียวฉลาดสามารถขึ้นทุกถิ่นอกจากจะเป็นกบท่ากรบัวคือปัญญานี้อยู่เท่านั้น ธรรมะแต่ละประเภทประเภทอุปมาเหมือนกับคอบัวในด้านนม า, ามธรรมเราผู้หนึ่งที่สะแสวงหาประโยชน์เพื่อเราเทศุใดเราจะมากลายเป็นกบเฝ้าสร้างผีดิบและเฝ้าธรรมะซึ่งมีอยู่ภายในตน อยู่เชยๆโดยไ ม, ไม่รับประโยชน์อะไรจากคนโง่ที่นั่งเา อ, อยู่นะครูอาจารย์ท่านให้อุบายไปข้อหนึ่งข้อนควรจะนำไปพินิจพิจารณาให้เป็นจริงเป็นแขนงออกไปกิิงแขนงจะมีมากน้อยนั่นแหละเป็นอุบายของเราที่ได้จากส่วนใหญ่คือหลักเดิมที่ท่านมอบให้ หรือหลักใหญ่ที่ท่านมอบให้หลักใหญ่ที่ท่านมอบให้แต่ละครั้งละครังหรือแต่ละข้อละข้อนั้นเป็นต้นทุนที่จะให้เราต้นท้าหากำไรจากกิ่นขแขนงที่เราคิดได้เราจะกลายเป็นคนไม่จุ่นเนี้ยจะนำมาใช้ใน คือใจของเรานี้เราจะไม่จนเรื่องของใจอุบายต่างๆจะปรากฏขึ้นที่ใจดงนี้เมื่อมีปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมอยู่เสมอจะไม่นั่งอันตู้อยู่เฉยๆท่านผู้พ้นทุกไปแล้วทั้งหมดโปรดนำมาชิดดูว่า องไหนที่โง่ที่สุดแล้ว ส, รราาสาาาําเร็จพระรหัสระดีเลสขาดจากทันดาถึงพระนิพพานตามเจ็ีพระพุทธเจ้าผ่านเราเคยถึงภาษาบกงหนึ่งมั่งนี้นท่านจะโง่ก็โง่ในคราวที่ท่านยังไ ม, ม่ได้ฝึกฝนอบรมเมื่อได้ฝึกฝนอบรมแล้วพระพุทธเจ้าวางหลักใหญ่ให้เป็นหลักเป็นหนหท่านนําไปวิภาคษวิจาร แตกกินแตกแขนงออกไปสามารถกระจายไปได้ทั่วทั้งส่วนร่างกายทุกส่วนและกระแสะของจิตทิ่คิดไปไม่รู้กี่แน่กี่กระตทนนำมาวิภาควิจารณ์จนรู้ทั่วถึงไปหมดกิเลสมีประเภทยากกลางละเอียดมากน้อยภายในใจิตใจชำระาศาสางออกไปได้ด้วยอํานาจแห่งปัญญาที่แตกแขนง จากหลักใจที่พระพุทธเจ้ามอบให้กลายเป็นสาวกอราหันขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นท่านที่ผ่านโลกส ม, มุกรายถึงขั้นนี้หมดแล้วทุกทุ ก, กองไม่ได้้นทุกหรือ้นโลกส ม, มุินี้ไปได้เพราะความโง่เป็นผู้นำ แต่พ้นไปได้เพราะความฉลาดเป็นผู้นำทั้งนั้นเริ่มแต่ฉลาดเล็กน้อยเบื้องต้น ส, ส่งเสริมความฉลาดเล็กน้อยให้มีกำลังจนกลายเป็นความฉลาดมากที่เรียกความมหาสติมหาปัญญาฉลาดรอบตัวรอบสิ่งที่มาเกี่ยวข้องไม่มีทุกระเพศใดจะสามารถเข้ามาเกาะภายในจิตใจของท่านที่เต็มไปด้วยความฉลาด รอบกอบได้รักษาตัวไว้อย่างอย่างเง้นได้งูช่องไหนทุกจะต้องเข้ามาช่องนั้นทางผิดทุกก็จะเปิดขึ้นมาช่องผิดทุกก็จะโผล่ขึ้นมาคือสมุ ท, ทยัยทุกอันเป็นตัวผลก็ต้องตามรอยกันมามีส่วนไหนดีบ้างพอเราจะนอนใจ ไม่คิดอ่านเรื่องของตัวเองทั้งๆ ท, ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาเพื่อคิดบัญชีตัวเองให้รู้ทั้งผิดทั้งถูกตลอดถึงสมุติฐานที่เกิดขึ้นแห่งความผิดถูกทั่วดีทั้งหลาเกิดขึ้นจากที่ไหนหลักธรรมท่านสอนลงที่จุดใดบ้างที่ท่านเรียกว่าศาสนานำโลกมานับจานวนไม่ท้่วเลย ที่พาโลกให้เจริญบุ่งมาจนข้างทึ้นแล้วต้องคิดให้ดีสอนเพิ่มความสลาดแกมหมู่เพื่อนนะกสอนสอนย่ทุกระยะแทบจะพูดได้หวาดทุกเรียาบททำไมไม่ปรากฏเห็นเป็นกลิ่นเป็นกลานออกมาสักแขนงหนึง 1, 2, หน่งสองแขนง ซึ่งพอที่จะให้มีแก่ผิดแจ่ใจในการสอนต่อไปว่าวันนี้ให้ทำทั้งรุ่นไปหนึ่งรุ่นแต่ผู้รับไปนั้นไปตีแผออกมาได้สองแหนหรือสามแหนทำไมไม่ค่อยปรากฏพากันมานั่งหลับอยู่เฉยหรือนั่งอะไรถ้านั่งคิดต้องได้แง่คิด นั่งไตรตรองต้องมีทางปรากฏกิ่นแขนงเห็นความฉลาดของคนออกมาให้เห็นให้ได้ยินจากท่านนักปฏิบัติด้วยความสนใจและใคล้ต่อความฉลาดไม่มากกอนา้อยมีเหตุใดจึงไม่ค่อยปรากฏกันมาหาอะไรกันแน่ถ้าจะหาความโง่แล้วไม่จำเป็นจะมาหาครูกับอาจารย์อยู่ในใจก็เต็มหยูออ่หมดเลย ไม่มีอะไรจะแทรกลงลงไปได้แม้แต่เม็ดทรายนี่ยเต็มเพรด้วยความโง่อยู่แล้วด้วยกันเนื้อจะให้ความโง่นี้นพาไปเ่วันนี้ผ่านคนไม่เป็นนอนใจมากสอนหูเพื่อนไม่ทราบว่ากี่แง่กี่กระทงจนจะหมด เวลานี้ความสามารถจะไม่มีอุบายวิธีต่างๆแยกพยายามแยกแยะให้เห็นเงื่อนเห็นข้แหนงพอที่จะตามไปก็ไม่ได้เรืืองเพราะฉะนั้นจิตใจจึงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากความโง่มัน รอบอยู่เสียหมดความสลาดพอที่จะเป็นเครื่องจูงใจให้เป็นไปก็สมาธิเพื่อปัญญาเป็นขั้นๆ น, น, นั้นจึงไม่ปรากฏทาหรับโมคะบุรุษลมหายใจเสียเปล่าๆทั้งวันทั้งวันได้อะไรมัางทำไมไม่พิสูจน์ตัวเอง ไหนเป็นของอัศจรรย์แห่งเพียนัง่งถ้าไม่ใช่เป็นผู้ใช้ความคิดพิดนิจพิจารณาความผิดถูกชั่วดีซึ่งมีอยู่กับตัวเราเราจะหาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษมาจากที่ไหนถ้าจะหาเอาจากสบงจีวรมีเต็มไปหมดตามติดบ้านตลาดถ้าจะหาเอาตามศีรษะล้นใครโกนเอาก็ได้ ไม่มีอะไรแปลกต้องได้บอกทุกกะทุกกาทุกกีทุ ก, กีมีอย่างแล้วเหรอไม่ใช่เด็กมาปฏิบัติธรรมนีแต่ผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นหนึ่งกับหนึ่งบวกกันเป็นเท่าไหร่เพียงเท่านี้ก็ตอบไม่ได้ ต้องตอบว่าต้องบอกว่าหนึ่งกับหนึ่งบวกกันต้องเป็นสองแล้วสิถ้าของสองชิ้นนำออกไปเสียชิ้นหนึ่งจะยังเหลือเท่าไหร่ก็จะโผเผยไปตอบว่ายังเหลือสามชิ้นนะโดยมากไปช่องนั้นทำไม ของสองชิ้นนําออกไปเสียชิ้นหนึ่งแล้วจะเหลือเท่าไรกอจะถือว่าอาจารย์นี่ถามสองครั้งเป็นอันว่าเอามาเพิ่มสองชิ้นเขาตอบว่าสี่ชิ้นน่ะมันไปอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันได้ไปช่องที่ถูกช่องที่ถูกของมีสองชิ้นนาออกเสียชิ้นหนึ่งยังเหลือเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่ายังเหลืออยู่หนึ่งเพราะเหตุไรเพราะชิ้นหนึ่งอออกหนีแล้ว แล้วต่อไปให้บวกถุงขึ้นไปกว่า น, นั้นสองบวกกับสามเป็นเท่าไหร่ที่ถูกก็ต้องเป็นห้าแต่นี่ไม่สามารถจะตอบได้อีก<ม>เงื่อนต้นก็บอกแล้วว่าหนึ่งกับหนึ่งบวกกันเป็นสองถ้าสองกับสามบวกกันจะเป็นเทอมีตอบไม่ได้จริง หรือ2บวกกับ2เป็นเท่ากันก็ตอบได้แค่จะทำหมดปัญญาหาอุบายที่แพงมืูเพื่อนเพื่อให้ได้คติหรือให้ได้สติซาตังมั่งไม่มีอะไรปรากฏเลย แล้วจะเอาอะไรไปเป็นคุณเป็นร้อนต่อไปแม้แต่จับยาดใส่ตีนใส่มือลงไปก็ยังหลุดมือลงไปได้ที่ไหนจะ พ็สแสวงหามาได้อีกจะมีทางที่ไหน้นากแบาเป็นอยู่อย่างที่เป็นมันศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนคนให้งโง่ขนาดนี้เทีย ว, แ ล, วแล้วทำไมไม่นำมาคิดบ้าง หมดความคิดเหมือนกันอันตู้ผมไปผมเองคนการมาศึกษาต้องศึกษาด้วยกันทุกคนขู้ที่แสดงให้ท่านฟังอยู่นับบัด น, นี้ก็ศึกษาเหมือนกันงั้นจะอะไรมาสอหนึ่งเพื่อ ศึกษาด้วยไตรตรองด้วยมันต้องมีช่องทางไปแม้แต่เรามองไปดูในป่าปรากฏว่าจะไม่มีอะไรรวมแน่ที่สุดนิ้วมือแต่เวลาเ็าเราค่อยคืบค่อยคลานเข้าไปจริงๆมันก็ไปได้ลงทั้งลงป่าทั้งป่าไปได้ทะลุ ถ้าเราใช้ความพยายามนี่ก็เหมือนกันจะหาขนาดไหนกิเลสตัณหาปัญญากิเลสตัณหาถ้าปัญญาของเรามีการสะแสวงอยู่บ้างภายในใจจะไม่แทงทะลุปไปได้อย่างไรสอนแล้วสอนหน้า ให้หัดคิดหัดอ่านยานั่งอยู่เฉยๆนั่งภาวนาเหมือนหัวตอหลับไปทั้งนั่งก็จะมีทำไมฉะนั้นจะต้องได้อุบายต่างๆขึ้นมาจากบุคคลที่ชอบใคร่ครวญไม่มากก็น้อยแล้วพอเป็นต้นทุนที่จะหนุนให้เป็นกำไรต่อไปได้นอกจากจะ นอนแจว เ, เสียยิ่งกว่าคนตายเลย้วเทาหยับยาบมันก็คิดไม่ได้แจวังอะไรต้องเลยบอกทุกช่องทุกทางทุกกระทงผู้สอนมันก็ตายเป็น่ะสิผู้ทีมาศึกษาไม่ใช่ความคิดความอ่านอะไรเลยทุกแหน่ทุกกระทงต้องเลยบอกกัน ทุกกะทุกกาทุกกิทุกกีในเครื่องหมายอย่างการมาศึกษามีที่ตรงไหนมัง่งมีหมดปัญญาจริงๆเลยอุบายวิธีที่จะสอนหมู่เพื่อนให้ได้รับความฉลหับตอบกันตัวหนึ่งว่าหม้อที่ถูกควาไมไว้หมดอย่างมิคิดแล้วเทลงไปน้ำจะเทเทเท่าไหร่ไม่เคียงน้ำในตุ่มนนหายใน น้องในบึงในห้องใหม่รำทางที่ไหนไปลอาน้ําในมหาสมุทรมาเทก็ไม่มีอะไรจะท้างะไรไม่มีอะไรจะขังอยู่ดังถ้าว่าหม้อด้ยความปากถูกความปากไปแล้วนะจิตถ้าความตัวเองขนาดนั้นแล้วจมตายทิ้งเปล่าๆไม่มีอะไรจะแทรกเขาได้ชื่อว่าความดีหรือชื่อว่าธรรมะ สมาธิถ้ามีความจงใจสะมารระวังรักษาด้วยอำนาจของสติแล้วจะไปไม่รอดต้องลงทีเดียวหาความเหปัญญาทดสอบท้ายความคิดก็มีทางจะไปไม่มีสิ้นสุดไม่ปรากฏมาทางปัญญานี่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ไม่มีสมาธิกับปัญญาต้องเดินตามกันตลอดสาย จนถึงมิมุทพระนิผ่านนอกจากนั้นแล้วยังไม่มีสิ้นสุดเรื่องของปัญญาอีกที่จะคิดเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องพระหลักความจริงต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกไม่มีประมาณนี้ปัญญาจะหาประมาณไม่ได้หาเป็นผู้ชอบอกลับจะเล้ยงหานอกจากนั้นนั่งเฝ้านอนเฝ้ า, ฝาดูเฉยเฉย มันเป็นประโยชน์อะสอนก็นละอาเหมือนกันสอนทุกวันสอนทุกเชา้าทุกเย็นกลางวันก็สอนขามองเห็นเห็นแล้วสิ่งที่แสลงตาว่าผิดนะเพียงได้ยินก็แสลงหูแล้วว่าช่องนี้โบเห็นด้วยตาก็ทราบชัดแล้วหว่า ช่งนั้นโบกจะว่างเอาสอิดช่องนี้ออกช่องนั้นแล้วิดช่อนั้นออกช่องนี้ดีอยู่ที่ไม่มีความจงใจจะผิดแต่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของตนที่ไม่สามารถจะทราบความบกพร่องของตนเท่านั้นพอที่จะให้มีใจใจแนะนำสั่งสอนเพื่อนเพื่อหากว่ามีเจตนาเพื่อผิดอย่างที่ว่าอยู่นี้ย จะไม่มีอะไรติดต่อกันได้นอกจากจะหันหลังให้กันโดย ท, ทันทีถ้าเป็นโรคก็เรียกว่าชุดวิสัยที่จะเยียวยารักษาต่อให้เป็นจบเป็นเมนไปเสียทน อยู่อัศจรรย์อยู่การปฏิบัติทำไมไม่เห็นเหตุของผมพอทรามได้ตามสายตาและหนที่มันสัมผัสกันดีแท่จะพูดเลยว่าตลอดเวลาแสดงออกตั้งแต่เรื่องที่ว่าขอให้ความโง่ออกหน้า ปัญญาไม่มีตามอย่างนี้ีแต่ความโง่พาวิ่ง อ, อยู่ตลอดเลงแล้วจะตามหาความสูกความสงบที่ไหนหเต๋อนอกจากจะมีแต่ความรุ่มร้อนเพราะอำนาจของความโง่เป็นผู้นำทางเท่านั้นนันแรทานเรียกว่าสมุทัยเคยเห็นสมุทัยปูกบ้านปลูกเพือนแห่งความสุกความสุขให้คนให้นักบวชนักปฏิบัติมีไหม นอกจากเรื่องของนิสิตของปัญญาสัทธาความเขียนธรรมและปลูกความปลูกความเตือนใหปลูกปจิบัติให้ความสนใจไม่พบได้เห็นดังพระพแท่เจ้าและสาวกเป็นตัวให้ขอให้ฟางกันไปนมันไปพิมิตพิ่ารณา บกครองตรงไหนบกครองทั้งตัวนั่นแหละไม่บกครองตรงไหนมันหมดทั้งตัวไม่มีส่วนไหนมันไม่บกครองคือได้เกียงเท่านั้ น, อ น, น, นเอาละคือ